ไม่ใช่ว่ามีเจโตไปอะไรรู้คนนั้นนะแต่ามาบอกแล้วว่าบางทีเนี่ยรู้จากพฤติกรรม <c oughs> ใจมาก็ยังเป็นเหมือนกับหมอดูหมอเดาอยู่แต่ว่าเรารู้พฤติกรรมคนนี้เรารู้นิสัยคนนี้เรารู้จริคนนี้ว่าเดี๋ยวอย่างเงี้ยถ้าสำหรับคนนี้แล้วเดี๋ยวออกอย่างนี้แน่หวย <c oughs> หวยล็อกหวยล็อกไวเลยว่าเดี๋ยวออกอย่างนี้แน่ <c oughs> อ่ <c oughs> คือดูมาจากเหตุ แล้วจริงๆนั่นย่งอัตบาก็เคยพูดไปแล้วพุทธเจ้าท่านพยากรเนี่ยที่ท่านพยากรได้แม่งเช็บเนี่ยนะเพราะว่าท่านรู้กรรมของมนุษย์เนี่ยทั้งสามกรรมเนี่ยแหละกายกรรมวัจีกรรมมโนกรรมท่านรู้กรรมและท่านยังรู้อดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นยังไงเนี่ยไม่มีพลาดเป้าเลยไม่มีพลาดจะดิ้นไปไหนไม่หลุดเลยขนาดว่าท่านจะพยากร ถึงขั้นยังไงอ่ะจะตายวันไหนตายที่ไหนตายเวลาอะไรอีกนะวันไหนเียเวลาอะไรก็ได้แล้วจะทำอะไรจนกระทั่งมาตายอย่างนี้ด้วยสามารถพูดได้หมดทุกขั้นตอนเลยเรียว่าไม่มีพลาดไม่ใช่หมอเดาอืมเออไม่รู้สิ <laughs> ต้องไปถามพ่อท่านเอง ต้องไปถามเพ่อท่านเองแต่ว่าบางครั้งก็เคยจะยินพ่อท่านนะ <c oughs> คือบางทีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องไปรู้อย่างนั้นเข้าใจไหมบางทีเนี่ยท่านก็ใช้ปัจจุบันนี่แหละท่านถึงบอกว่าเหมือนกับคนที่ไม่ต้องมีอนาคตเข้าใจไหม คือไม่ต้องไปเปลืองสมองที่จะไปคิดอนาคตมันมากอยู่กับปัจจุบันนี่แหละให้ดีที่สุดถ้าถ้าถ้าใครเนี่ยจับจิต ด, ดูใจอยู่กับปัจจุบันได้ดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวอดีตตัวเองก็จะรู้ดีและอนาคตก็พอจะรู้ได้ว่าเราเนี่ยจะไปไหนเดี๋ยวมันรู้เองแทบจะไม่ต้องไปไปกังวลเรื่องอดีตแล้วก็ไม่ต้องไปห่วงอนาคตคุณเชื่อไหมละ่ะ คุณพยายามถือศีลให้ดีคุณเชื่อไหมเราหมู่กลุ่มนี้ดีแล้วคุณพยายามไปปฏิบัติตัวคุณให้ดีคุณเชื่อเลยคุณเชื่อไหมเราว่าคุณจะไม่ได้ดีคุณจะเชื่อไหมว่าคุณจะไม่ได้ดีนะคุณจะเชื่อว่าคุณได้ดีแน่ถ้าคุณคุณคุณไอ้นั่นจริงๆเรียกว่ามันมันเป็นเครื่องประกันคุณได้เลยเป็นหลักประกันได้เลยแต่ถ้าอย่างที่อาตมาบอก คุณยังถือศีลได้ไม่ดีนะแม้ว่าหมู่กลุ่มเนี่ยเอาแล้วคุณอาจจะยอมรับพอดีพอสมควรเพียงแค่ตัวคุณเองเนี่ยคุณยังรู้สึกว่าถือศีลไม่ค่อยใหญดีทําตามกฎระเบียบก็ยังไม่ค่อยดีรับรองเลยคุณจะเชื่อ ว, ว่าตัวเราเองอาจจะอยู่ <laughs> อยู่ไม่ได้นานก็ได้อ่าคุณยังพอจะเดาตัวเองได้อะ น, นี่ไม่ต้องให้ไปเดาคนอื่นเดาตัวเองนี่แหละไม่ต้องไปเดาคนอื่นเลยเพราะมันดูจากอะไรก็ดูจาก การกระทาของเราเองอ่ะดูแต่พฤติกรรมของเราอืมไม่ต้องไปดูจากที่ไหนเลยเดี๋ยวคุณรู้เองแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเราไม่มีอุปสรรคไม่มีปัญหานะรวมไปทั้งไม่ใช่ว่าเราไม่มีวิบากกรรมเพราะมันจะมีวิบากกรรมส่วนใหญ่เนี่ยที่พวกเรากลัวเนี่ยแม้แต่บางคนเนี่ยเอามาถามอาตมาว่าท่านท่านว่าท่านจะบวชไปได้ตลอดไหมเนี่ยอาตมาก็บอกเอา้าก็ตั้งใจอ่ะ ให้มันได้ตลอดอ่ะแต่บางทีก็เสริมแต่ไม่รู้วิบากกรรมนะว่ามันมันไปทําบาปทากรรมไปสะสมอะไรยังไงไว้บ้างอัจมาถึงบอกนี่แหละเรายัางต้องเดาเพราะว่าเราไม่รู้เราลึกชาติย้อนไปไม่ได้ว่าเราไปทําอะไรเพราะบางคนเนี่ยยังอัจมาเนี่ยอัจมา ก, ก็ไม่แน่ใจเลยเข้าใจไหมเพราะไม่รู้ว่าเอ๊ะมันจะเกิดยังไงแต่ตัดรอบได้ว่าไม่รู้ว่า ไปสั่งสมอดีบมาดีมาเร็วอะไรยังไงไม่รู้แต่ตอบว่าแน่ใจในปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าปัจจุบันเราพยายามทําดีของเราอยู่เราพยายามอยู่ให้ได้ตลอดในปัจจุบันนี้เพราะเราก็เอาเอาปัจจุบันนี้เรายืนยันเพราะฉะถ้าเราตัดอดีไปซะก็ไม่ต้องไปห่วงกังวลมันมันมาอย่างไงนะเดี๋ยววิบากกรรมมันมาเราก็แก้ไขไปตามที่มันจะมา ส่วนถ้าเราทําปัจจุบันให้ดียังไงแล้วเดียอนาคตมันต้องมาตามปัจจุบันนี้เหมือนกันมันต้องมาตามปัจจุบันแน่ใช่ไหมโดยที่มันมีผสมมีอดีตมาผสมลงเนี้ยแหละแต่ถ้าเราชัดเจนเราชัดใจแล้วเราก็พยายามทําของเราไปเดี๋ยวมันพาไปสู่ดีเองคุณเชื่อเถอะพุทธเจ้าท่านตัดเอาไว้เลยนับว่าจะพาไปดีเองใ้คําว่าดีเองเนี่ยคือมันเป็นไปตามกรรม ไอ้คําว่าดีเองเนี่ยนะเป็นไปตามกรรมเออไม่ใช่นอนรอดีมาหาไม่ใช่อนะืชีวิตของเขาจึงไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะพูดพูดพูดแสดงแสดงแสดงแต่เรื่องของตัวเองชีวิตของตัวเองความเป็นอัจริยะของตัวเองซ้ําแล้วซ้าเล่าอย่างอริดอร่อยอย่างมีความสุขนี่คือพวกที่หลงตัวนะ นี่ก็เป็นลักษณะของการสำเร็จความใคร่ทางความคิดกล่าวคือมีมีความเสพสมสุขสมขณะที่พูดอยู่ผู้ฟังก็มีฐานะเป็นเพียงวัตถุรองรับอารมณ์เท่านั้นจึงไม่แปลกเลยถ้าเราจะเจอคนยกตัวยกตนว่าเก่งว่าสูงพูดสิ่งใดก็มีแนวโน้มที่จะให้คนเขาชมและถ้าหาก เราจะเจอใครเก่งเออเราจะเจอใครแข่งกันเป่าประกาศตัวจะสร้างาศาสนาพุทธให้ครอบให้ครองโลกโดยไม่เคยสนใจในเนื้อแท้คำสอนหรือแย่งกันเป็นพระศรีอริยะเมตไตรก็จงอย่าสงสัยเลยอันนีนะ้มันพูดยากมันอย่างเมื่อกี้เราพูดถึงว่าผู้เจ้าท่านบรรลุแล้วท่านก็ ประกาศตัวประกาศตนเหมือนกันใช่ไหมใช่ไหมแต่อันนั้นถ้ามีของจริงอย่างที่จะมาบอกถ้าประกาศไปแล้วเนี่ยไม่การไม่ใช่เป็นการหลงตัวแต่พอมีจริงแต่คนที่หลงตัวเองจริงๆแล้วตัวเองก็ไม่ได้มีเนื้อแท้ไม่ได้มีสัจจะอย่างนั้นนะแต่หลงแบบโลกโลกเนี่ยแหละหลงความเก่งแบบโลกโลกแล้วก็เลยประกาศตัวเองนะั้ยืนหยัดยืนยันอะไรต่างๆ หน้าที่จะให้อะไระให้คนมายกย่องให้คนมาสารรเสริญต่างๆนะมันก็จะมีเพรา ะ, ะนั้นบางทีเนี่ยปฏินิสักะเนี่ยการเวียนกลับการเวียนคืนบางทเีเลยมันดูคล้ายหรือว่าบางทีมันเลยดูเหมือนเหมือนกับคนที่เป็นโลกโลกนี่แหลนะแล้วก็ประกาศตัวประกาศตนมันเลยดูคล้ายแต่จริงๆรงแล้วไม่เหมือนกันเลยตรงกังข้ามกันคนละมุมคนละสีกโลกเลย คนที่ยังหลงตัวเองอยู่เสร็จแล้วก็ประกาศตัวประกาศตนอย่างเงี้ยไม่ได้มีมรรคผลจริงนั้นจะไม่ไม่ได้มีของจริงแต่ว่าเขาหลงนะเขาเชื่อว่าเขามีเข้าใจมแล้วเขาก็ประกาศตัวประกาศตนของเขาซึ่งอันนี้แหละมันต่างจากผู้ที่มีจริงแล้วก็ประกาศเหมือนกันประกาศนี่เหมือนกันพูะเจ้าท่านก็ประกาศนะหรือแม้แต่พระ อ, อรหันต์หลายรูป นะที่ท่านบรรลือศีหานาทที่ท่านประกาศออกมาก็มีเหมือนกั น, นแต่มันต่างกันตรงว่ามีของจริงหรือว่าไม่มีเท่านั้นเองนะก่อนจะปิดจิตตัวสุดท้ายทั้งหมดที่ได้กล่าวมานี้เป็นวิธีการแก้ปัญหาของมนุษย์ทั่วๆั่ไปนักจิตวิทยาถือว่าเป็ น, นกลไกทางจิตที่สร้างพฤติกรรมแสดงออกมาโดยผ่านการกรองจากจิตใจมาแล้วเรียกว่า จิตพิจารณาแล้วจึงอนุญาตให้ออกมาได้แต่นั่นแหละการพิจารณาแบบเข้าข้างตัวเองมันก็รังแต่จะทำให้ยิ่งมีปัญหามากขึ้นทุกวันนะเพราะฉะนั้นทุกคนมีเหตุผลจะเป็นโจรจะเป็นขโมยจะเป็นพระจะเป็น อ, อ, อริยะบุคคลล้วนมีเหตุผลทั้งสิ้นไม่มีใครไม่มีเหตุผลเพียงแต่มันต่างกันต ร, ต, รตรงนีว่า ถ้าเป็นเหตุผลของคนดีนะก็ต้องการช่วยโลกช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือตัวเองด้วยนะต้องการให้เป็นทิศทางนั้นแต่ถ้าเป็นคนไม่ดีนะเป็นคนเลวเหตุผลก็ลำเอียงเข้าข้างตัวเองจริงๆแล้วหวังผลประโยชน์นะที่จะเป็นกิเลสเนี่ยเข้าข้างตัวเองนะ่ามันจะต่างกันที่ตรงนี้ วิธีการต่างๆที่ได้อธิบายสู่กันฟังก็เพื่อที่จะได้เข้าใจถึงกลไกอันซับซ้อนของ จ, จิตใจจนกระทั่งก่อเกิดออกมาเป็นรูปธรรมแต่ก็ไม่ใช่ให้สําคัญมั่นหมายจดจ่อดูแต่รูปแห่งกันเพ่งกันนะดูแต่รูปเพ่งกันแต่รูปเพราะสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นเพียงส่วนประกอบส่วนหนึ่งในการตัดสินเท่านั้น ตัวแท้นั้นก็คือเจตนาก็คือจิตใจนั่นเองเจตนาของใจนั่นเองที่เป็นตัวผลักดันให้เกิดพฤติกรรมออกมาเราศึกษาเพื่อให้รู้ความมายาของจิตไม่ใช่เอามาใช้เพ่งโทษแก่กันและกันเพราะความถูกและความผิดในหลายต่อหลายกรณีเราไม่สามารถวัดกันได้ด้วยรูปแบบเผิ น, นคนดีอาจจะเสียสละโดยไม่หวังอะไร แต่คนชั่วนั้นแม้จะเสียสละก็เต็มไปด้วยเลสเลข้ออธิบายสภาวะจิตต่างๆเหล่านี้จึงไม่ใช่ศึกษาไว้ดูผู้อื่นแต่ให้ดูตัวเองต่างหากดูว่าหัวใจของเรานั้นเที่ยงตรงเปิดเผยและสัตซื่อต่อตัวเองแค่ไหนเพียงใดคืออันนี้เป้าหมายของเขาเป้าหมายของเขาเนี่ย เจตนาให้เราเนี่ยซื่อสัตย์ต่ตัวเองนะอยา่าโกหกตัวเองเพรา ะ, ะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือความซื่อสัตย์กับตัวเองเพราะส่วนใหญ่บอกแล้วว่าจิตมันจะลำเอียงเข้าข้างตัวเองการที่บางทีเนี่ยให้ฝึกสมถะนะหรือว่าอ ะ, อะไรอ่ยที่เขาฝึกกันเนี่ยที่แบบว่าทาสมาธิหรือว่าอะไรต่างเนี่ย ฝึกเพื่อที่จะให้คนนั้นน่ยพยายามจิตให้สงบนะให้กิเลสมันเบาบางลงเพื่อที่เดี๋ยวเวลามาคิดหรือว่าเวลามาวิปัสสนามาเอาปัญหายกปัญหาขึ้นมายกเรื่องราวอะไรต่างขึ้นมาเวลาจิตที่มันสงบจิตที่มันไม่มีกิเลสมันครอบงํามากเนี่ยมันมาพิจารณาเรื่องนั้นเนี่ยมันถึงจะค่อนข้างเป็นจิตที่เป็นกลางถ้าพิจารณาแล้วเราผิดก็จะได้เออรู้ว่าเราผิด หรือว่ายอมรับว่าเราผิดแต่ถ้าจิตมันไม่เป็นกลางเนี่ยมันลำเอียงเนี่ยพอพิจารณาไปเถอะพิจารณาแล้วมันก็จะโอ้ยเหตุผลของเราจะมาทันทีเลยเหตุผลตามกิเลสของเราแหละแล้วมันก็จะดึงให้เราเนี่ยถูกแล้วคนอื่นเขาก็ผิดมันจะเป็นอย่างนั้นอยู่เรื่อยไปเพราะฉะนั้นการจับโกหกตัวเองให้ได้นี่สำคัญมากค่าของชีวิตความลหลงไหลในวัตถุ เป็นตัวก่อปัญหาให้แก่ชีวิตมากที่สุดเพราะไม่ยอมเข้าใจคุณค่าของชีวิตที่แท้จริงทางเดินของชีวิตจึงคดคดรเคียวเคียวดูเวียนหัวยิ่งสร้างค่ายึดถือมากมายก็ยิ่งกอ่อปมด้อยแก่ตัวเองมากขึ้นการยึดถือในเรื่องของวัตถุนั้นเป็นเรื่องต้นๆแต่เรื่องที่ลึกซึ้งเข้าไปอีกก็คือการยึดถือ ในสิ่งที่ไม่มีตัวตนเช่นความใหญ่ความโตการสรรเสริญการดินทานะยังมีความรักความชังความร่ํำรวยความจนอะไรต่ออะไรอีกเยอะแยะมากมายเราเอาชีวิตของเราไปผูกพันไปติดยึดกับสิ่งต่างๆทั้งๆที่สิ่งนั้นก็ไม่ได้สแสดงถึงความสูงส่งแต่อย่างใดชีวิตคือชีวิต ชีวิตไม่ใช่การมีเงินทองมีทรัพ์สมบัติชีวิตไม่ใช่การร่ำร้องความเห็นใจชีวิตไม่ใช่การมีอำนาจมีเกียรติมีศักดิ์ศรีชีวิตไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งเหล่านี้แต่เราก็ไปหลงยึดถือเข้ามาเป็นชีวิตของเราเมื่อพลาดจากสิ่งเหล่านี้หรือเพียงกิจเริ่มอยากได้ขึ้นมาชีวิตผู้นั้น ก็เริ่มมีปัญหาขึ้นมาแล้วออแล้วเขาก็วาดรูปนะในหนังสือเนี่ยก็มีรูปคนนั่งอยู่บนก็โซฟานะแล้วก็มีโซ่ล็อกคอมีมีตุ่มเหล็กด้วยนะล็อกคอล็อกแขนล็อกขาไว้มีตุ่มทั้งนั้นเลยลูกตุ่มนี่เขาเขียนลาบยศสารเสริญกามคุณ จริงๆล็อกขนาดนี้ก็ตายแล้วล่ะไปไหนไม่ได้ตุ่มมันหนักตั้งนั้นเลยจริงๆเนี่ ย, ยจะต้องหายใจไม่ออ ก, ก น, นะเพราะว่าตามรูปที่เขาว่าเนี่ยนะไอ้โซ่เนี่ยมันรัดคอใช่ไหมเสร็จแล้วไอ้ลูกตุ้มเนี่ยมันไม่ได้ถึงพื้นเนี่ยลูกตุ่มมันลอยอยู่ตรงไอ้ไอ้ส่วนบนของเก้าอี้เนี่ยแสดงว่าไอ้ลูกตุ่มนี่มันจะดึงดึงคอไปเลยนะ นะไอ้ส่วนที่แขนกับที่ขานี่ยมันยังวางอยู่ที่พื้นไอ้ลูกตุ้มเหล็กเนี่ยแต่อีที่คอมยังห้อยอยู่เนี่ยแสดงว่าเนี่ยเดี๋ยวต้องหายใจไม่ออกแล้วก็ตายแน่ทุกวันนี้ปัญหาที่เราประสบกันจึงล้วนเป็นปัญหาที่เฟอ้อยิ่งกว่าเฟอ้อเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่สําคัญอะไรเลยแต่เราก็ไปหลงคิดว่ามันมีค่าทั้งทั้งที่ความมีค่าอันแท้จริงของมนุษย์นั้น อยู่ที่การละเลิกไม่ผูกพันคลุกคีกับสิ่งที่เราไปหลงว่ามันมีค่าต่างหากชีวิตเกิดมาเพื่อล้างความสโรกต่างเพื่อที่จะได้เป็นชีวิตที่แท้บทบาทความยึดถือของจิตใจได้สร้างบทเพลงที่วุ่นวายออกมาอย่างมากมายเพราะความหลงตัวเองจึงให้ความสำคัญแก่ตัวเองอย่างล้นฟ้า ประคบประหนมตัวเองทุกอย่างไม่ยอมให้ริ้นไรแห่งอารมณ์มาไตา่มาตอมเป็นอันขาดขณะเดียวกันก็ยังพยายามที่จะให้ผู้อื่นมาทะนุถนอมชีวิตนี้จึงทนไม่ได้ถ้าจะมีสิ่งผิดพลาดเกิดขึ้นมาหรือถูกมองในแง่ลบว่าอันนี้เป็นกินเลสของคนเราอย่างหนึ่งที่รักสุขเกียรติทุกข์ นะรักสุขเกียรติถุกรักสารเสรินเกียรตินินทานะชีวิตคนเราอยากรวยไม่อยากจนอะไรอีกอยากมีคนรักไม่อยากเป็นโสด อ, อยากมีลาบนะไม่อยากเส่อมลาบ นั้นเราฟังเหตุผลก็จะเห็นได้นะมีเยอะแยะไปแต่อันเนี้ยเราจะเห็นได้ถึงตรงตรงเขาพยายามเน้นในเรื่องของการหลงตัวนะไม่ว่าจะหลงเรื่องของของกามเรื่องของโทสะเรื่องของมานะก็แล้วแต่นะมันจะมีตัวหลงเนี่ยอยู่ในทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะราคาโทสะโมหะอะไรต่างๆหรือเราใช้คําว่าโลภะ โทสะมานะอะไรเงี้ยนะมันจะมีอยู่ในทั้งหมดเนี่ยซึ่งเราเองเนี่ยเราจะต้องระวังไอ้ตัวหลงเนี่ยซึ่งไอ้ตัวหลงเนี่ยแหละมันเป็นตัวอุปท า, านที่มันจะฝังอยู่ในจิตเราซึ่งมันไม่ใช่หลงมาแค่ชาตินี้มันหลงมาตั้งชาติไห น, ไหนแล้วเพราะเราที่จะต้องหลงมาเกิดเนี่ยก็เพราะกิเลส ม, มันพามาเกิดนี่แหละมันก็หลงมาแล้วละ่ะนะเพราะฉะนั้นต้องยอมรับอันนี้ ยกเว้นผู้ที่บรรลุธรรมไปแล้วเท่านั้นเองเป็นพระอาหารหันต์แล้วนะที่ท่านจะมีวิภาวะตัณหาเพื่อที่จะพามาเกิดอั น, นั้นท่านไม่ได้หลงแต่ถ้ามีจติตเจตนาที่ตั้งจิตไว้เพื่อที่จะมาสั่งสมบุญบ ร, รมีของท่านเพิ่มขึ้นไปอีกนะซึ่งแตกต่างจากปุถุชนหรือแตกต่างจากคนที่ยังเป็นเสกขา้าบุคคลที่ยังไม่ได้บรรลุธรรมนะมันแตกต่างกันเพราะว่า คนที่ยังหลงอยู่กับโลกเนี่ยมันอยากจะเกิดมายังอยากจะมากินสูบดื่มเเสพแม้แต่เป็นพระโสดาบันก็ยังอยากมากินสูบดื่มเเสพแบบของพระโสดาบันนะนะยังอยากมาเสพสุขแบบของพระโสดาบัน อ, อะไรนะหลงหล ง, ลงไม่อยากมาเกิดแต่หลงเข้าใจไหมก็อย่างที่อยากจะมาบอกว่า รักสุดแล้วกเกลียดทุกจริงๆแล้วตัวเองเนี่ ย, เ, ยเกลียดทุกนะก็ไม่อยากทุกเพราะงั้นก็เลยอยากที่จะไม่มาเกิดอีกเข้าใจไหมเพราะเกลียดทุกแต่ตามความเป็นจริงของตัวเองเนี่ ย, ต, ยตัวเองเนี่ยยังดับทุกนั้นไม่ได้เมื่อดับทุกนั <PE> ้นไม่ได้เนี่ยไม่อยากมาเกิดอีกมันจริงซะเมื่อไหร่แล้วก็หลงมันนั้นเองหลงหลงอยากว่าไม่อยากมาเกิดไม่อยากมาเกิดแต่มันหลง ความจริงต้องยอมรับความจริงว่ามันเกิดแง่ๆเลยแน่ๆชัวๆใช่ไหมที่ถูกต้องมันควรจะเป็นอย่างนั้นใช่ตราบใดยังไม่ปรินิพานแล้วต้องมาเกิดดีไม่พ้นเลยยิ่งบางคนนี่หลงหนักยิ่งกว่า น, นี้กลัวไม่มัเกิดกลัวไม่มังเกิดคืออยากเกิดนี่ยกลัวไม่มาเกิดนั้น ท, ที่บอกว่าคุณเกิดแน่ๆอยู่แล้วคุณไม่ต้องกลัวว่าคุณไม่มังเกิดหรอก ยืนยันกับเขาเนี่ยแต่เขายังกลัวว่าเดี๋ยวตายไปแล้วมันจะศูนย์มันจะไม่ไม่ได้มาเกิดอีกกลัวกลัวศูนย์โ้ามว้เกิดแง่ๆเลยเพียงแต่จะเกิดเป็นแมวเป็นหมูเป็นหมาเป็นไก่เป็นนกเป็นอะไรเท่านั้นเองอืมอเดี๋ยวต่ออีกสักอันนึ่งนะแปลกนะเขบขึ้นหัวข้อหน่วยใต้ดินโอ้จอม บ, บงการของชีวิตได้สั่งการออกมาเป็นทอดทอด เราจะพบว่าในระดับหัวแถวนั้นตัวโรคธรรมอันคือสลรเสรินและนินทากำลังทำงานกันอย่างเหน็ดเหนื่อยโดยผู้โดยแม้ผู้ถูกบงการก็ไม่มีทางรู้ตัวเพราะนานมาแล้วที่มันได้มาขออาศัยอยู่จนทุกวันนี้โอ้โหเนี่ยแหละมันมาขออาศัยอยู่นานจนกระทั่งผู้เจ้าทัานตรัสว่าไม่รู้ที่เกิด คนเราเนี่ยไม่รู้เลยว่าเกิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่หาที่เกิดไม่เจอเลยนั่นเนี่ยมันนานขนาดนั้นแหละถ้าไม่จ้องมองให้ละเอียดแล้วมันก็คือชีวิตและชีวิตก็คือมันเมื่อเป็นดังนี้สิ่งที่แสดงออกมาจึงกลายเป็นบทบาทของมันโดยปริยายมันนี่หมายถึงอะไรกิเลสแต่ผู้นั้นกลับคิดว่าคือบทบาทของชีวิต กรมคุณก่อเกิดโลกธรรมและโลกธรรมก็ก่อเกิดกรมคุณเป็นเช่นนี้นิรันดรพฤติกรรมของโลกธรรมจึงซ้อนซ้อนซ่อนเงื่อนอย่างพิสดารและลึกซึง้งความหลงไหลในความสุขได้ก่อให้เกิดการถือตัวถือตนและการถือตัวถือตนก็ได้ก่อให้เกิดการแสวงหาความเพลิดเพลินดังนั้นอย่าว่าแต่เขาจติติง แ ล, แล้วเกิดความไม่ชอบเลยนะแล้วเขาก็ยกตัวอย่างบางรายเถียงขึ้นมาทันทีโดยอัตโนมัติหรือแตะปุ๊บโอยทันทีเอ๊ะอะไรอะ่ะมันหมายความว่ายังไงเนี่ยมีปฏิกิริยาทันทีเพราะว่าถือตัวถือตนนั่นแหละอ่านไหนอีกตัวอย่างที่บางรายย้อนกลับทันควัน เราจรึงมักจะได้ยินเวลาที่มีที่มีอะไรสองชีวิตขึ้นไปโคโจรมาพบกันว่าเชื่แล้วเธอล่ะแค่ไหนกันคนอื่นเขายังทำเลยทำไมเธอไม่ไปว่าคนอื่นล่ะนะเมื่อพูดกันเรื่องนี้ก็จับประเด็นเฉพาะเรื่องนี้แต่นั่นแหละตัวโลกธรรมได้สั่งการให้เลี่ยงออกโดยพยายามออกไปจับคู่เปรียบเทียบกับสิ่งอื่นๆโดยทันที เมื่อกําลังพูดเรื่องเราทำไมต้องเอาไปให้คนอื่นอีกเล่าประเด็นนี้ยังไม่ค่อยชัดนะหน่วยใต้ดินก็หมายถึงว่าตัวหน่วยใต้ดินจริงเนี่ยก็คือโลกธรรมนะที่มันทำให้มายึดมาแฝงมาฝังเป็นอุปทานอยู่ในจิตเราใครมาแตะใครมาต้องใครมาอะไรเนี่ย หคือเราจะพยายามรักษาไอ้โลกธรรมที่ที่เป็นลาบยศสเส ร, เริญสุขเนี่ยของเราเนี่ยเอาไว้นะเราจ ะ, จะพยายามรักษาอุปทานตัวนี้เอาไว้ถ้าสมมุติว่าใครมาแตะต้องพวกนี้แล้วจะทําให้เราเสื่อมลาบเสื่อยยศนานโดนินทาหรือว่าจะทุกข์นี่จะป้องกันตัวทันทีเลยจะพยายามปัดออกจะพยายามไม่ให้เกิดขึ้นกับเราเพราะคนที่มีโลกธรรม นะหรือว่ามีอีกโก้มีตัวที่แบบว่าฝังไว้อยู่ในใต้ดินเนี่ยไม่จริงๆไม่ใช่ใต้ดินเราฝังไว้อยู่ที่ในจิตเราเนี่ยแหละนะใต้ใจมันไม่ใช่ใต้ดินะนะมันอยู่ในใจเรานี่แหละอยู่ในลึกๆในใจเราแล้วมันก็จะพยายามรักษาอิอิกโก้ไอตัวตนอันเนี้ยของเราเอาไว้ mm hmm. เพื่อที่จะไม่ให้ใครเนี่ยมาแตะต้องมาสลายเพราะถ้าใครมาแตะต้องมาสลายไอสิ่งที่เรา คิดว่ามันเป็นความสุขเอาไว้เนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราถูกเพราะมันจะปกป้องแล้วมันจะป้องกันเอกความที่เราถือถือตั ว, ถ, ตวถือตนในในเรื่องไหนก็ตามแต่เราก็พยายามปกป้องอันนั้นไว้เพราะนี่ถ้าใครจับไม่ได้ได้ไม่ทันก็จะปกป้องมันไปเรื่อยแล้วมันก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดเราไม่สามารถที่จะเชื่อเฉือนหรือว่าทําให้มันเล็กลง เพรวิธีการก็คือเลิกปกป้องตัวเองโดยเฉพาะเรื่องความผิดของเราพรุทธเจ้าถึงได้ตรัสว่าถ้าเราผิดนี่ยิ่งต้องเปิดเผยให้มากๆอย่าไปซุกซ่อนอย่าไปเก็บอย่าไปปิดบังไว้การซุกซ่อนการเก็บการปิดบังความผิดของเราไว้เท่ากับพอกเพิ่มอัตตามาณนะตัวตัวเลวนี่ให้มันใหญ่ขึ้นให้มันโตขึ้นแล้วคนนั้นก็จะโกหกตัวเองหลอกตัวเองหลงตัวเองหนักขึ้นเรื่อยเรยเพราะฉะนั้นถ้าใครรู้อย่างนี้แล้วเนี่ย ต้องหัดเปิดเผยแต่ก็บอกไปหลายทีแล้วว่าเปิดเผยกับผู้ที่ควรเปิดเผยนะผู้ที่ควรจะเปิดเผยเพราะว่าพอเปิดเผยออกไปแล้วเนี่ยมันหน้าแตกใช่ไหมมันมันละอายซึ่งนี่แหละความละอายความเกรงกลัวต่อบาปหรือว่าอะไรต่างๆเหล่านี้มันจะมาเป็นเครื่องเชื่อเฉือนไอ้มาณาอัตตาที่เรามีอยู่เนี่ยท่าให้มันเล็กลง ทำให้เกิดความกลัวต่อบาปนะเกิดละอายต่อบาปกลัวต่อบาปจนกระทั่งทําให้ไอ้มนะอัตตาเนี่ยมันมันมันอยู่ไม่ได้เราจะหลอกตัวเราก็ต่ อ, ตอไปก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจิตที่ดีเขาเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นจะใหญ่ขึ้นจนทําให้เขานี้เรากล้าทําดีกล้าเปิดเผยกล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีอ่ะคงฝากไว้เท่านี้วันนี้